พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบแปดลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าอยู่กับโลกต้องทำให้ถูกกับโลกวันนี้ชะนีสมชายร้องละวันเนี่ สงสัยฝนจะตกหรือแดดจะออกก็ไม่รู้แหละแต่าตามไม่จริงมันแห้งแล้งมานานหลายวันชนีร้องสมชายร้องเนี่ยฝนจะตกนะให้เตรียมเตรียมของไว้อันไหนมันจะชื้นจะเปียกช่วยกันดูชนีร้องเตือนแล้วเนี่ย ชมชายมันร้องเตือ น, นก็ดีเหมือนกันนะอยู่ในวัดแต่อายุมันมากนะหลวงพ่อว่านะอายุยืนอยู่ชนีเนี่ยนคะงจะยืนกว่าหมาดูๆนงะหลายปีมันยังกระโดดโลดเต้นต้นไม้ได้อยูนะ่จะแดงว่ามันยังแข็งแรงนะแต่ว่าตาของมันไม่ค่อยดีนะ ตาเขมันรู้สึกว่าบุหรุใกล้ๆมันตามันรู้สึกว่าขาวๆยังไงมันมันตาเป็นฝ้าลักษณะอย่างงั้นอ่ะแต่กับฟันก็หลุดเหมือนกันนะเมือนกับคนแก่เนี่ยสมชายก็ฟันหลุดเหมือนกันเวลาโยนแอปเปิ้ลให้เนี่ยมันโมหัวคนอีกต่างหากเลยไม่รู้แล้วข้าไม่มีฟันจะไปหาโยนแอปเปิ้ลให้ยังไงทําไมไม่โยนกล้วยวะ ทำให้ไม่โยนกล้วยอ่โยนโยนทุเรียนให้ออไปโยนแอปเปินะ้ลมันจะไปกินได้ยังไงเดียว่าดิเขาโยนแอปเปิ้ลให้เนะี่ยจับมันแล้วมองมองมองนะโยนทิ้งนะเอพอจับมันแล้วก็มองมองดูแล้วก็โยนทิ้งแล้ว่าข้าไม่มีปัญญากินแลแอปเปินะ้ลฟันหลุดหมดแล้วใ่เนะีชนีก็ฟันหลุดเหมือนกัน่ะแก่เหมือนกันนะนนนะบอกถึงความแก่ วันนี้เป็นวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2556เมื่อวานก็มีพวกน้องๆครูบาครูบามาจากบ้านตาดเหมือนกันมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อมิอะไรทบทวนความจำ สมัยอยู่บ้านตาดจะรอดถึงปัจจุบันสรุปแล้วก็คืออยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบอุ่นอบอุ่นแต่ทงนังไงก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเหมือนกันใครจะตักตวงใครจะ ประกอบคุณงามความดีใครจะสั่งสมบุญใครจะเร่งความเพียรใครจะประกอบคุณงามความดีเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านอันนั้นเป็นการทบทวนดูว่าสมัยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาได้ทำอะไรได้ปฏิบัติตนอย่างไรท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไร พวกเราก็ได้ต่างคนก็ต่างได้รับคำทำคาสอนบางทีก็องหนึ่งจําได้บางครั้งองหนึ่งก็จําไม่ได้บางทีก็องหนึ่งก็ได้รับมาเต็มๆโดยที่ใครไม่รู้ดุท่านดุดาว่ากล่าวอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นเราก็ได้นํามาบอกมากล่าวกันเออต้นนั้นต้นนี้หลวงพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดอย่างนั้นอย่างนี้ ฟังดูแล้วก็ท่านมีจุดประสงค์อย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละอันนี้ก็คือการเข้าไปเพื่อการศึกษาศึกษาทั้งกิจวัตรข้อวัดไม่ใช่ศึกษาธรรมะอย่างเดียวน ะ, ะกิจวัตรข้อวัดนั่นจากนั้นก็ธรรมะที่ท่านแนะนำสั่งสอน ท่านจะให้ธรรมอย่างไรอันนั้นคือจุดประเด็นหลักที่เราเข้าไปศึกษาประเด็นรองก็คือกิ จ, จวัดข้อวัดตลอดถึงการปฏิบัติตนในสำนักของท่านตลอดถึงกับหมู่กับเพื่อนกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมผู้เกี่ยวข้องท่านให้ปฏิบัติอย่างไร อันนี้เราก็ได้ศึกษาแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วได้ศึกษาแล้วก็แปลว่าเราเห็นว่ายอมรับยอมรับในธรมคําสอนของท่านเราก็นำมา ป, ปฏิบัติเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วอย่างพวกเราออกมาเป็นสมภารและเป็นเจ้าอาวาสเราก็ได้นำคิด ทบทวนว่าสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรจากนั้นเราก็นำมาแนะนำหรือบอกกล่าวแต่โดยมากจุดไหนที่เผ็ดร้อนหรือว่าจุดไหนที่ท่านดูดาว่าเก่าอย่างจริงจังพวกเราก็ได้นำมาใช้อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อ น, นำมาใช้น้อยมาก พราะเราถือว่าบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพร้อมที่จะดุด่าว่าเกา่าชี้อะไรออกไปก็ไม่มีใครที่จะคัดค้านหรือโตอเถียงเพราะเข้าไปเพื่อการศึกษายอมสิโรราบท่านว่าไงครับมีแต่เตั้งใจฟังก้มหน้าฟัง แต่พวกเราท่านทั้งหลายนี่บางครั้งพอพูดไปแล้วอยังมองหน้าขึ้นมาเลยทําท่าจะเถียงอีกต่างหากเพ้อเพอยังเถียงอีกต่างหาก เ, าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ได้ดูดูเราเหมือนกันที่จะแนะนําสั่งสอนแต่ถึงยังไงธรรมะที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนนั้นคือของจริงอของจริงเราต้องเอาของจริงออกมาพูด มาแนะนำแต่ถึงยังไงก็าตามเราก็ต้องศึกษาแยกแยะให้ออกว่าอันนี้คือหลักพระธรรมวินัยเราต้องได้ศึกษาอันนี้หลักธรรมวินัยอันนี้คือกฎระเบียบอย่างบางท่านเขาก็ตำหนิออกมาเราก็ได้ยินว่าเอา้าทำไมพระจึงไปกราบ ที่ว่าเป็นโยมผู้หญิงว่าเป็นพระหันแต่ตามไม่จริงมันก็ไม่ถูกเขาตำหนิ ก, ก็ถูกคำของเขาเพราะเราสิ่งเราได้ลองต้องดูพระวียัยต้องดูพระวีนันถึงจะมีคุ ณ, ณธรรมก็จริงอยู่ให้เคารพในใจก็น่าจะเพียงพอไม่น่าจะแสดงออกกายและวาจาเพราะกายวาจานี่คือศีล แต่ธรรมนั่นเคารพในธรรมก็คือเคารพในใจเออถึงท่านจะเป็นผู้หญิงก็จริงอแต่ข้าพเจ้าขอเคารพในธรรมที่ท่านได้แล้วเคารพสักการะกราบยอมรับธรรมที่ท่านได้แล้วอันนั้นคือเคารพในใจแต่ถ้าว่าเราเคารพทางกายออกไปวายใจาออกไปผ่าวายใคือข้าพเจ้าข อ, อนอบนอบ้อมแด นัะพูดออกไปให้คนได้ยินดูดูแล้วก็เขาก็มีความไม่สบายใจแล้วก็ทัดแสดงออกทางกายอีกไปกราบไปไหว้เขาอีกไปไหว้กราบไหว้ท่านอีกอันนี้ก็ททำให้เขาไม่สบายใจเพราะเหตุใดเพราะเขามีหลักยืนยันในพระวินยัย ที่พระพุทธเจ้าจะให้พิชชนีบวชในพระพุทธศาสนานางโคจะมีติดตามพระพุทธเจ้านานเท่านานนมนานจากนั้นก็มาถึงกรุงสาวัตถีก็ขอพระอานนท์ให้ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็บอกว่า ผู้หญิงบวชในศาสนาของเราทําให้ศาสนาของเราลดคุณภาพอายุลงเพราะว่าเข้ามาแล้วทําให้เป็นเครื่องทวงเกี่ยวกับวินัยพระพุทธองค์ปฏิเสธหลายครั้งจนถึงพระ อ, อนนท์เข้ามากราบพระพุทธเจ้าวา่านางโคจะมีเป็นพระแม่เลี้ยงพระพุทธองค์ พระองค์ยังเป็นผู้เยาวอยู่พระมารดาของพระองค์ก็สวรรคตนางโคตมีเป็นพระแม่เลี้ยงพระพุทธเจ้าด้วยความทนุถนอมขอพระองค์โปรดเมตตาให้นางบวชด้วยเถิดนางบวชติดตามมาจากกรุงกบิลพัสทั้งที่เป็นเชื้อ พระเจ้าแผ่นดินามาแบบอปอนปอนพง่ายๆ่ายแบบเสื้อผ้าแบบเดินทางแบบปอนปอนเลยทั้งที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพอสนใจอยากจะปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าโคจะมีปฏิบัติคารุธรรมแปดประการาได้ ก็เอาถ้าจะบวชก็บวชเราอนุญาตแต่พุทธศาสนาจะลดลงมาครึ่งหนึ่งห้าพันปีถ้าพิชชนีไม่บวชพุทธศาสนาอยู่อีกหมื่นปีลักษณะอย่างนั้นอ่ะพวกเราศึกษาจุดนี้นะพระนนก็ไปบอกนางภิษุนีนางโกตมีนางโคตมีก็โอ้ยินดีพอใจปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าเอา มงกุฎพวงมาลาสวมหัวให้นางพร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกอย่างที่พระพุทธองค์อยากจะให้ทำอะไรนางนอบน้อมเคารพคารวะคนรธรรมแปดประการนั้นภิกษุณีบวชร้อยปีต้องเคารพคารวะกราบไหว้พระภิกษุที่บวชในวันนั้น อันนี้คืลุทธรรมประการอยู่ในนั้นอันนี้แก่พวกเราศึกษาดูเพราะมันอยู่ในพระวินัยอยู่แล้วแต่ว่าเราค็จจำได้ว่าภิกษุณีบวชถึงร0อยปีต้องเคารพกราบภิกษุผู้บวชในวันนั้นอันนี้ก็คือข้อหนึ่งถ้าภิกษุภิกษุณีไม่ปฏิบัติอย่างนั้นแปลว่าผิด ขลุธรรม8ประการก็คือปาราชิก8นั่นเองขาดจากการเป็นพิกตุนีลักษณะอย่างนั้นแต่พระนี่ว่าปาราชิกสแต่พิกษุนีน่ยปาราชิก8นะเพิ่มเพิ่มอบัดเข้าไปอีกเพื่อความเข้มงวดในในการเป็นอยู่ของพระวินัยอันนี้พวกเราศึกษาศึกษาดูก็ได้นะในพระไตรปิฎกมีในพระ ปฏัยพิดกสำหรับประชาชนอันนั้นจะเข้าใจได้ง่ายกว่าขลุธรรม8ประการที่พระพุทธเจ้าให้ภิกษุณีปฏิบัตินั้นเป็นครั้งแรกนั้นคืออะไร เ, เราจะได้ศึกษาจากนั้นกับศีลของพระสอ้ยี 7, ่สิบเแต่ศีลภิกษุณีส0 0อกว่าแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติมากถึงขนาดนั้นเพราะหยุมยิม พภิกษุณีบวชเข้ามาแล้วทําตนไม่ดีมีคนฟ้องร้องทั้งไปขอของเขาบ้างทั้งเลียอะไรบ้างทั้งพูดกัแหนกัแหน่นบ้างอะไรพราะพระเถรเจ้าบัญญัติวินัยวินัยวินัยวินัยวินัยคือคือกฎระเบียบเมื่อคนทําผิดกฎหมายลักษณะอย่างนั้นน่ะถ้าทําผิดกฎหมายขึ้นมาก็บัญญัติอย่างพวกวันนี้วินัยยาเสพติดอย่างนี้นแต่ก่อนก็ไม่มียาบ้ายามา้า มีตั้งแต่ฝินอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้มันมีเยอะแยะพอมันมีเยอะแยะขึ้นมาเขาก็ต้องมันจัดกฎหมายขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนทำผิดนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านปัญญัพินยันยก็ลักษณะอย่างนั้นเพื่อความผาสุก ข, ของหมู่คณะเพื่อความผาสุก ข, ของพระสงฆ์อย่างพิกโตนีไปขอกระเทียมเขา เจ้าของสวนเขาก็บอกว่าเอาเถอะพระแม่เจ้ากระเทียมอยู่ในสวนพระแม่เจ้าต้องการจะมาทำยาก็มาเอามาได้ไปเอาได้กระเทียมอยู่ในสวนผมนั่นแะไปเอาเลยเจ้าของเขาก็ไม่ได้ไปด้วยแต่ในภพกษุณนี้พูดได้ค ก, น, กนั้นะไปลื้อเอาทั้งสวนเขาเลยจะเลยพอเขาให้แล้วเนี่ยถอนเอาทั้งหมดเลย เจ้าของสวนไปเห็นก็ตกใจโอ้ทาไมภิกษุณีจึงเอาไม่รู้จักประมาณถึงขนาดนี้เขาก็ตําหนิตีเตียนขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็บัญญัติพี่ในตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุลีใดก็ตามไปขอกระเทียมจากชาวบ้านต้องปาจิตีลักษณะอย่างนั้นน่ะสรุปแล้วก็คือไม่รู้จักประมาณในการรับสิ่งของหรือว่าขอสิ่งของเขา ถ้าเราไปดูในพระวินัยแล้วก็พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยมีเหตุมีผลของของแต่ละเรื่องแต่ละสิกขาบทนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราต้องศึกษาจะทําอะไรแบบใจตัวเองชอบไม่ได้เอถ้าว่าจะไปเห็นผู้มีคุณธร ร, รมครูบาอาจารย์ยกย่องนนี้แหละคนนี้มีคุณธรรมเราจะไปกราบอย่างนั้นก็ต้องดูพระวินัย เขาลบทำก็จริงอยู่แต่มันขาดวินัยแต่ทำวินัยทำและวินัยมันไปด้วยกันต้องมีพระวินัยต้องศึกษาวินัยด้วยควรจะทำยังไงไม่ใช่ว่าเราจะทำให้มันถูกทำแต่มันผิดวินัยมันก็ไม่ได้ทำและวินัยแต่ทำนั้นละเอียดกว่าวินัยแต่ว่าถึงยังไงก็ตามทำน่คืออยู่ในใจวินัยคื อ, คอรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวัดศีล แต่ว่าตอก่อนที่จะเป็นศีลขึ้นมามันก็ต้องอยู่ในใจซะก่อนโลกวัชชะเขาว่าอย่างไงโลกเขาว่าอย่างไงธรรมว่าอย่างไงการเป็นอยู่ว่าอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันต้องการอยู่กับโลกเราจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้แต่จะให้ถูกโลกทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องฝืนโลกต้องดูโลกด้วยดูธรรมด้วยดูวินัยด้วย ดูพระธรรมคำสอนด้วยดูพระไตรปิฎกด้วยคือหลักใหญ่คือยึดพระไตรปิฎกเป็นหลักอันนั้นคือหลักถ้าเราไม่ยึดพระไตรปิฎกเราจะยึดอะไรเพราะว่าเราบวชเข้ามาเนกระเนียเราก็ต้องปฏิบัติตามศีลต้องศึกษาดึงศีลและวินยัยการล้วนแล้วมาจากพระไตรปิฎกท้งนั้นแต่เราจะยึดทุกอย่างาถ้าไม่ได้จากพระไตรปิฎกผิดหมด อันนั้นเราก็ต้องดูหาเหตุผลอีกเหมือนกันอย่างหลวงตาที่ท่านผู้ท่านบอกบอกว่าเห็นที่หลวงตาบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิอย่างนี้แต่ตามให้จริงในพระไตรปิฎกกลว่าสมาธิอบรมปัญญาสมาธิอบรมปัญญาแต่หลวงตากลับมาบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิ รีคนทั้งหลายมหาทั้งหลายผู้ได้รับการศึกษาในพระไตรปิฎกทั้งหลายก็งงอีกเหมือนกันหลวงตาจ ะ, จะเป็นศาสดาขึ้นมาใช่แล้วทําไมพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่พูดมหาบัวทํำยังไงแต่นี้หลวงตาอธิบายให้ฟังคันว่าสมาธิอบรมปัญญาก็คือทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้ว นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตใจของเรานิ่งเมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็คิดเรื่องอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลถ้าจิตใจของเราโลเลโลกเล็เอคิดวิตกกงังวลห่วงนั่นห่วงนี้จะมาคิดเลขด้วยสิ เ, เหมือนกับคนคิดร้องโหมร้องไห้ถึง สิ่งอะไรก็ตามสามีภรรยาลูกหลานอะไรก็ตามร้องห่มร้องห้เขาคิดเลขดูสิมันจะคิดได้ไหมมันคิดไม่ได้เพราะมันใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่เป็นสมาธิถ้าจิตใจเน่งเป็นสมาธิแล้วก็เคยศึกษามาทางนี้มาแล้วรู้เมื่อเราคิดเลขมันก็ถูกต้องเพราะอะไรเพราะใจของเราเน่ง นี้ก็เหมือนกันอันนั้นคือนิ่งแบบหนึ่งแต่นิงสมาธิด้มากกว่านั้นจิตใจที่สงบรวมนิ่งจากนั้นก็นามาพิจารณาการกรองไตรตองเหตุและผลจากนั้นก็ถึงจุดที่จะต้องคิดปล่อยวางอย่างไรอันนี้ก็คือสมาธิอบรมปัญญาและเกิดปัญญาเมื่อมีจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็คิดทางทางปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริง แต่ทีนี้ปัญญาอบรมสมาธิท่นี้หลวงตาท่านก็บอกว่าใจของเราเนี่ยปุ่งคิดอยู่ตลอดพอนั่งสมาธิขึ้นมามันคิดมันเอาไม่อยู่เมื่อเอาไม่อยู่แล้วจะทำยังไงท่านบอกว่าให้ให้มันคิดให้มันคิดแต่บังคับให้มันคิดอยู่ในกายอย่าไม่ให้มันปุงฟุ้งออกไปข้างนอกให้มันพิจารณากายกายคืออะไร เราเคยเห็นกระดูกคนไหมในหนังสือก็ดีอย่างห น, นังสืออสุภะของวัดป่าบ้านตัดในหนังสือเป็นเล่มเราก็ดูในอสุภะจากนั้นเราก็ดูกระดูกตั้งแต่ศีรษะจนถึงนิ้วเท้านิ้วเท้าซ้ายขวานิ้วมือซ้ายขวาเราให้นึกดูใช่ไหมลูปในกระดาษ เราเห็นลูกที่เขาแขวนไว้ที่เราเดินไปพบไปเห็นในโรงพยาบาลหรือในวัดบางแห่งเข า, เขาแขวนโชว์เอาไว้กระดูกคนในเมื่อเราไปเห็นกระดูกคนเราก็น้อมมาหาเราเราเนี่ยเป็นกระดูกอย่างนั้นใช่ไหมถ้าหากว่าเรารเห็นตามความเป็นจริงก็ใช่อันนั้นคือกระดูกคนเราเป็นคนใช่ไหม ใช่เราเป็นคนกระดูกของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเออถ้ากิเลสไม่หนาจนเกินไปก็คงจะใช่กระดูกของข้าก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ากิเลสหนานไม่ใช่นะกระดูกข้าไม่เป็นอย่างนี้สวยงามยิ่งกว่าเพชรนินกินได้ต่างหากเอ่เอมันจะย้อนเข้าม า, าไม่เอาเออกระดูกของข้าไม่เป็นอย่างนี้เอ่อข้าเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะสวยกว่าเออ เป็นแท่งทองเนี่ยทั้งแท่งเลยเนี่ยฮะถ้ากิเลสมันออกเสกสรรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ า, ถ า, ถาตามความเป็นจริงแล้วมันปฏิเสธไม่ออกกระดูกเขาก็เหมือนกระดูกเรากระดูกเราก็เหมือนกระดูกเขาที่แขวเนี่ยนะมันเหมือนกันกระดูกมนุษย์เนี่มันแตกแตกต่างว่า น, นี่เป็นกระดูกผู้หญิงหรือกระดูกผู้ชายแ่นั้นน่อันนั้นคือบางสียงบางอย่างมันก็ไม่เหมือนไม่ครบ ผู้ชายต้องเป็นกระดูกอีกแบบหนึ่งผู้หญิงกระดูกอีกแบบหนึ่งอันนี้พวกแพทย์เขาจะรู้อ่าอันนี้ทําไมเขาจึงรู้นะเพราะว่าเขาได้เรียนได้ศึกษามาแต่กระดูกเหมือนกันจากนั้นเราหลงตาท่านก็บอกว่าเมื่อเห็นกระดูกอย่างนั้นแล้วเห็นโครงกระดูกอย่างนั้นแล้วน้อมมาหาตัวเองให้คิดมาหาตัวเองว่ากระดูกของข้าเนี่ยมันเหมือนกับนั่นแหละมันเหมือนกับเขาแขวนไว้น่ะน่ะ หญิงเขี้ยวอยู่นั่นเพราะไม่มีเนื้อไม่มีหนังหุ้มมีขากรรไกรและกับหญิงเขี้ยวอยู่นั่นข้าบกันอยู่งั้นจากนั้นเราก็มาพิจารณานดู ก, กายของเราเกระดูกกระโหลกศีรษะเป็นยังไงเบ้าตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกที่ไม่มีหนังไม่มีเนื้อกระดูกจมูกเป็นยังไง กระดูกฟันเป็นยังไงกระดูกขากรรไกรเป็นยังไงจนมาถึงกระดูกคอเป็นข้อขอเป็นยังไงกระดูกหายลาล่าเป็นยังไงกระดูกแขนขวาแขนซ้ายเป็นยังไงข้อบนข้อกระดูกแขนบนแขนล่างเป็นยังไงมันเป็นสองสี่แขนล่างจากนั้นกระดูกฝ่ามือเป็นยังไงกระดูกนิ้วมือเป็นยังไงนิ้วมือขวานิ้วมือซ้ายเป็นยังไง จากนั้นก็ลงมาถึงกระดูกสันหลังมันเป็นยังไงกระดูกชี้โครงเป็นยังไงกระดูกเชิงกรานเป็นยังไงกระดูกขาเป็นยังไงขาซ้ายเป็นยังไงขาขวาเป็นยังไงหัวเข่าเป็นยังไงเข่าซ้ายเข่าขวาเป็นยังไงแข้งซ้ายแข้งขวาเป็นยังไงเท้าซ้ายเท้าขวาเป็นยังไงเมื่อเราดูเปรียบเทียบกับที่เราเห็นน่ย มาเปรียบเทียบกับของเราเมื่อเปรียบเทียบเสร็จแล้วเราก็ดูขึ้นมาจากฝ่าเท้านิ้วเท้ากระดูกเท้าขึ้นมากระดูกแข้งกระดูกข้อเท้ากระดูกแข้งกระดูกหัวเข่ากระดูกขากระดูกเจ้พวกซ้ายขวากระดูกเชิงกรานกระดูกเอวกระดูกหลังกระดูกชี้โครงชี้โครงซ้ายขวาจากนั้นก็ขึ้นมาจนกร็ ที่กระดูกหลังขึ้นมาเป็นข้อข้อขึอขอข้นมาจนถึงกระดูกไห้ปาระกระดูกไหลกระดูกคอไล่ขึ้นมากระดูกศีรษะเบ่าตาจมูกที่ไม่มีกระดูกที่ไม่มีหนังมีแต่กระดูกและกาาระขากันไกลฟันที่เป็นซี่ๆอยู่นั่นน่ะนี่แหละ ในเมื่อเราพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลหลายครั้งตลายหนย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปพิจารณาแบบช้าช้าหรือจะเร็วก็ได้แต่บังคับให้มันพิจารณาให้มันยอมรับประร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างย้อนดูดูเข้าดูออกดูเข้าดูออกเพราะมันใจของเราตะก่อนมันคิดปรุงออกไปข้างนอก แต่เพืให้มันเห็นในร่างกายของเราไม่ให้มันคิดไปทางอื่นในเมื่อเราพนานาิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนย้อนไปย้อนมามันจะต้องมีความเด่นชัดในกระดูกของเราจุดใดจุดหนึ่งเราเห็นกระดูกหลังหรือกระโหลกศีรษะเลือกระดูกแขนเลือกระดูกฝ่ามือเราเห็นได้ชัดในความรู้สึกจากนั้นเราเอาจิตกำหนดดูที่เราเห็นชัด ในกระโหลกศีรษะของเราเลยเขาก็เอามันหยุดอยู่ที่นั่นไม่ต้องให้มันไปเถอะนะให้มันหยุดให้มันมองดูกระโหลกขาวโพนอยู่ที่ศีรษะของเราหรือหน้าผากของเราหรือกระดูกฟันของเราที่มันเห็นเหมือนกับเขาเนี่ยฟันทั้งสองข้างล่างข้างบนเหมือนซี่แล้วมันคาบกันอยู่นั่นน่ะมันเห็นฟันพอเห็นฟันก็จิตใจจดจ่อหรือว่าดูที่ฟันไม่ให้ไปที่อื่น พอเห็นชัดในจุดนี้จากนั้นใจของเราเมื่อมันมันเห็นชัดใจของเราก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งเพราะใจมันไม่ได้คิดไปทางอื่นแต่ก่อนหน้านี้มันคิดโปรงคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรืจนเอาไม่อยู่แต่ให้มันอยู่ในกายให้มันวิ่งอยู่ในกายให้มันเห็นกระดูกตั้งแต่เท้าจุดจดฝ่าเท้าตั้งแต่ศีษะจนจุดฝา่าเท้าตั้งแต่ฝ่าเท้าจนจดุดศีษะดูอยู่อย่างนั้นผลในสุด มันเห็นชัดในร่างกายเห็นชัดที่ฟันที่มันจดกันอยู่นั่นเอาใจของเราอยู่ที่ฟันเนยมองดูที่ฟันตัวเอง เ, อเมื่อมองอยู่ที่ฟันตัวเองไม่แห้มเป็นไปที่อื่นใจก็รวมสงบเป็นหนึ่งอันนี้ท่านว่าปัญญาใช้ปัญญาตะล่อมเข้ามาหาสมาธิเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเน่ง ใจไม่ปุง๋งไม่ฟุ้งไม่สานใจเน่งดูพอดูผ่านความสงบเสร็จแล้วทต่นี่นำมาพิจารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเราหลงอะไรนะหลงอะไรใจของเราหลงอะไรหลงกายใช่ไหมว่ากายนี่จะเป็นสวรรค์วิมานใช่ไหมจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมใจถามใจอะไรนีมันเห็นแล้วแต ดูร่างกายของตัวเองผลที่สุดถ้าหลงร่างกายก็จะหลงอย่างอื่นใช่ไหมใจหลงคนอื่นหลงทรัพย์สมบัติหลงชาหลงสารวัดว า, าศาสนาสที่เราจะสร้างขึ้นมาเป็นของเราทั้งหมดใช่ไหมใจแต่การหลงพุอินถามนะคณะสัตย์ทา ญ, ญาติโยมที่มากราบไหว้เราเนี่เป็นของเราแท้ๆใช่ไหมหลงพุอินจะไม่ตายต่แตอย่างนั้นใช่ไหมใจฮ ในเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นใจก็บอกไม่ใช่แหละทุกสิ่งทุกอย่างค่าจะต้องทิ้งทั้งหมดอันไหนที่มันจะถูกต้องอันไหนมันจะเป็นธรรมอันไหนมันจะความเหมาะสมค่าจะต้องยืนจยุดจุดนั้นเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาพาดมาเกยมาเจอมาเป็นบางครั้งจากนั้นก็แยกย้ายกันต่างคนต่างไปต่างคนก็ต่างออกจากพื้นที่ไปเราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นชั่วฟ้า อนันตการไม่ใช่นะใจนะอย่าหลงนะใจนะอันไหนที่ถูกต้องอันไหนที่เป็นธรรมอันไหนความเหมาะสมให้ปฏิบัติอย่างนั้น น, นนะใจนะอย่าลุ่มหลงหมัวเมานะต้องมีธรรมในใจนะต้องมีหลักเหตุผลในใจนะต้องยึดความถูกต้องนะใจนะนะใจเขาก็จะมีหลักมีเหตุมีผลยึดในความถูกต้องยนะึดในความเป็นธรรมจากนั้นก็จิตใจก็เห็นตามความเป็นจริงจะไปยึดอะไระปล่อยวางให้ ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะยึดมั่นทําไมยึดมั่นลมๆแรงๆยึดมั่นกระดูกล่ะอยึดมั่นกระดูกฟันตัวเองอย่างนั้นเหรอยึดมั่นกระโหลกศี้สะตัวเองเนยึดมั่นกระดูกแข้งกระดูกขาตัวเองอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ของที่จะมายึดมาถือในจุดนั้นเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วะ ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะสัตยาญาิโยมการพิจารณาทรรมด้วยการพิจารณาปัญญาเดินวิปัจนาเดินลักษณะอย่างนี้นะแต่ก็มีหลายวิธีนะอันนี้หลวงพ่อบอกวิธีแนวหนึ่งแต่ให้เราศึกษาแล้วก็ค่อยฟังไปเรื่อยวิธีการปฏิบัติาบางทีกับพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบางทีกับพิจารณาอาสุภะจุดใด จ, จุดหนึ่งหรือบางทีพิจารณาการะดูก ทั้งยวงหรืพิจนาผิวหนังทั้งร่างกายเหล่านี้เป็นต้นนะขอให้พวกเราศึกษามุ่งมั่นแต่ก็ให้มีสมาธิสนะก่อนจึงเดินปัญญาถ้าไม่มีสมาธิเดินปัญญาได้ไม่ได้แต่มื่กับตุปัตตุเปตตูรักตูเลไปเรนะื่อยมันไม่ชัดเจนนะถ้ามีสมาธิแน่วแน่สะก่อนยังเดินอันนั้นจะดีกว่าถูกต้องกว่า เออเอาหลับพ่อนอนุโมทนาให้พ่อ